ปัญหาที่สองถามความรู้สึกของผู้ไม่เกิดอีกข้าแต่พระนาคเษนบุคคลใดไม่เกิดอีกบุคคลนั้นรู้หรือไม่ว่าเราจักไม่เกิดอีกมหาราชาผู้ใดจะไม่เกิดอีกผู้นั้นก็รู้ว่าเราจากไม่เกิดอีกข้าแต่พระครุณเจ้าผู้นั้นรู้ได้อย่างไรขอถวายพระพร เหตุปัจจัยอันใดที่จะทำให้ถือกำเนิดผู้นั้นก็รู้ว่าเราจะไม่เกิดเพราะความดับไปแห่งเหตุปัจจัยอันนั้นแล้วขอนิมนต์อุ ป, ปมาด้วยมหาราชาเปรียบเหมือนชาวนาไถานาแล้วหวานข้าวแล้วได้ข้าวไว้เต็มยุ้งแล้วต่อมาภายหลังเขาก็ไม่ไถ ไม่หวานอีกเขาก็มีแต่บริโภคหรือขายซึ่งข้าวนั้นหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามเหตุปัจจัยที่มีมาชาวนานนั้นรู้หรือไม่ว่ายุ้งข้าวของเราจากไม่เต็มรู้สิพระผู้เป็นเจ้ารู้อย่างไรละ่ะอ๋อรู้ เราไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทําให้ยุงข้าวเต็มข้อนั้นก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิษผู้นั้นก็รู้ว่าเราจากไม่เกิดอีกเพราะหมดเหตุปัจจัยที่จะทําให้ถือกําเนิดแล้วถูกแล้วพระนาคเสณอธิบายคําว่าหมดเหตุปัจจัยหมายความว่าเป็นผู้หมดกิเลส ปัญหาอุปทานและอากุศ ล, ลกันที่จะทำให้เกิดอีก